นี่เราย้อนมาหาวิสุทธิมรรคของเราตอนไะด้ครั้งที่แล้วเราก็กล่าวถึงเรื่องของคำว่าวิสุทธิมรรคได้ความหมายที่ถูกต้องและใช่ไหมว่าคำว่าวิสุทธิมรรคหมายคำว่าอย่างไรคำว่าวิสุทธิมรรคนั้นเป็นชื่อของอริยมรรคเนี่นะเป็นชื่อของโลกุตระโลกุตระมรรคเลยจึงจะเรียกว่าอริยมรรคแต่พระพุทธพจน์คาสอน ที่กล่าวถึงข้อปฏิบัติเพื่ออริยมรรคก็เรียกว่าวิสุทธิมรรคด้วยเหมือนกันเพราะอะไรเพราะเป็นคําสอนที่ชี้โลกุตระมรรคนีนะนะก็เรียกวิสุทธิมรรคเหมือนกันนะนับตั้งแต่พระธรรมคำสอนศีล ส, สมาธิปัญญาข้อปฏิบัติทั่วไปก็เรียกว่าวิสุทธิมรรคเหมือนกันเพรา ะ, ะสิ่งเหล่านี้เกื้อกูลอนุวัตตามโลกุตรมะมรรคทีนี้ในหน้าเก้าข้อสี่กล่าวต่อไปว่า ต่อไปนี้เป็นคําพรรณนาความอย่างสังเขปคืออย่างย่อในคาถานั้นคาถานั้นคือคาถาไหนค า, าถาที่พระผู้มีพระภาคทรงตอบเทวดาใช่ไหมเทวดาเขาถามว่าโมศเนี่ยนะรกชัดทั้งภายในรกชัดทั้งภายนอกถูกรกชัดหุ้มห่อแล้วข้าแต่พระโคดมเพราะฉะนั้นข้าพระเจ้าหรือข้าพระองค์เนี่ย ขอถามพระองค์ว่าใครจะพึงขางรกชัดนี้ได้ใครนะจะสะสางปัญหาอันนี้ได้พระผู้มีพระภาคจัดตรัสตอบว่านระผู้มีปัญญาตั้งอยู่ในศีลแล้วเจริญจิตและปัญญาอยู่เป็นผู้มีความเพียรมีความฉลาดเป็นภิกษุเขาจะพึงขางชัดนี้ได้เนี่ยนะก็จะขยายตามลำดับแห่งคาถานั้น ขยายตามลำดับนี้ไม่ได้ขยายตามลำดับคำแปลในภาษาไทยนะขยายตามลำดับคำแปลในภาษาบาลีภาษาบาลีเขาบอกว่าสีเลปฏิทายะนโรสปัญโยจิตตังปัญญจะภาวะยังอาตาปีนิพกโกพิขุเนี่ยนะก็จะขยายตามลำดับของภาษาบาลีเราอ่านแล้วก็ให้มาเป็นภาษาไทยก็แล้วกันต่อไปนี้เป็นคำพารนายอย่างย่ออย่างพิสดารก็เป็นคำภีวิสุธิมัก สองบทว่าสีเลปฏิทายะเนี่ยนะสีเลเนี่ยบทหนึ่งปฏิทายะนี่บทหนึ่งก็เลยเป็นสองบทนะแปลว่าตั้งอยู่ในศีแล้วอาคําว่าตั้งอยู่ในศีเนี่ยตั้งอยู่ในสีลไหนตั้งอยู่ในกุศลศีเออสีนี่มีหลายอย่างนะกุศลศีก็มีอากุศลศีก็มีเคยได้ยินนะอากุศลศีนั้นเป็นศีลที่มีอากุศลจิตเป็น สมุทฐานเพราะฉะนั้นกายะทุตจิตวจีทุตจิ ต, จจตนี่แหละเรียกว่าอากุโซลสีลหรืออาชีวิบัติในเรียกว่าอากุโซลศีน์นั้นอกุโซลศีนั้นไม่ได้เป็นที่ตั้งไม่ได้เป็นที่อาศัยไม่ได้เป็นอุปนิสัยแห่งโลกุตระมากอะไรเลยส่วนกุโซลสีนเท่านั้นแหละจึงจะเป็นอุปนิสัยแก่โลกุตระธรรมก็นระผู้ทำศีลให้บริบูรณ์อยู่นั่นเองเรียกว่าผู้ตั้งอยู่ในศีล เพราะฉะนั้นในคำว่าศีเลปฏิทายะเขาเรียกว่าตั้งมั่นอยู่ในศีนี้จึงมีความหมายนี้ว่าตั้งมั่นแล้วในศีลโดยกระทำศีล น, นั้นให้บริบูรณ์ทำให้บริบูรณ์นี้ทำอย่างไรก็คือรักษาโดยรอบเจริญโดยรอบอธิบายว่าสํารวมและไม่ละเมิดเนี่ยนะก็คือสังวรในกุศลศีลเป็นอย่างดีเลยนะสังวร และไม่ละเมิดเราเคยได้ยินศีลเมื่อก่อนนี้คือเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลและอวีติกมะศีลเพราะฉะนั้นคําว่าทําทให้บริบูรณ์ในที่นี้เป็นชื่อของสังวรศีลและอวีติกมะศีลเนี่ยนะสำรวมและก็ไม่ล่วงละเมิดจึงจะทําให้บริบูรณ์ได้ <c oughs> ทีนี้ศีลที่จะทําให้บริบูรณ์ในที่นี้หมายถึงจตุ ป, ปาริสุทัยศีลนะ ต้องเป็นจตุปาริสุทิศีนที่บริบูรณ์คำว่านระได้แก่สัตว์เนี่ยนะว่าสีเลปฏิฐายะนโรสปัโยเนี่ยนระได้แก่สัตว์เขาบอกว่าคำว่าสัตว์ในที่นี้ก็บอกว่าเป็นผู้ชายนเดอร์นะ น, น, นะยกสัตว์ผู้ชายทีจริงก็ผู้หญิงด้วยนั่นแหละทั้งผู้หญิงผู้ชายคือคนที่ยังติดข้องในรูปนามขันห้าทั้งหมดนั่นแหละ วัง น, นผู้ที่ยังติดข้องอยู่นะถ้าปรารถนาบริสุทธิ์ก็จะต้องต้องทํำยังไงต้องตั้งมั่นอยู่ในศีลเป็นต้นนั่นเองอคําว่าสปันโยที่แปลว่าผู้มีปัญญาเนี่ยนะคือเป็นผู้มีปัญญาด้วยปัญญาในติเหตุกะปฏิสนธิอันเกิดจากกรรมคนที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้คนนั้นจะต้อง แรกเกิดเลยนะปฏิสนธิจิตของเขาจิตนั้นต้องเป็นติเหตุคำว่าติเหตุก็คือจิตอ น, นั้นเนี่ยมีเหตุสามคืออะโลภเหตุอโทสะเหตุและอโมหะเหตุอโมหะเหตุตัวนั้นแหละเรียกว่าปัญญาปัญญานั้นเนี่ยเป็นปัญญาที่เกิดจากกรรมมีกรรมเป็นนานขาคคานิกับกรรมให้ให้ปัญญานั้นเกิดขึ้น เพราะอะไรเพราะว่าปัญญาที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ปฏิสนธิมาภวังขจิตในขณะนี้ก็ต้องมีปัญญาประกอบเหมือนกับปฏิสนธิใช่ไหมเพราะว่าปฏิสนธิจิตกับภวังแล้วโดยชาติไม่ต่างกันต่างกันแค่กิจเท่านั้นเองนะปฏิสนธิจิตภวังขจิตเนี่ยนะต่างกันเฉพาะกิจส่วนอารมณ์วัตถุเวทนาเหตุเป็นต้นไม่แตกต่างกันเลยต่างกันเฉพาะกิจเท่านั้นเอง ปฏิสนทีเรียกว่าทํากิจสืบต่อพบชาติใช่ไหมจากภพหนึ่งสู่พบหนึ่งปฏินี่แปลว่าเฉพาะสนทีแปลว่าต่อนะเป็นจิตที่ทํากิจสืบต่อเฉพาะส่วนผวังเนี่ยนะภาวะบวกอังคาก็คือองค์ที่รักษาภพเนี่ยนะรักษาชีวิตของบุคคล น, นั้นเอาไว้ถ้าผวังสืบเนื่องกันไป10ปีก็เรียกว่ามีอายุ10ปีถ้าผวังต่อเนื่อง20ปีก็เท่ากับมีอายุ20ปีนั่นแหละ ถ้าหากว่าเจ็ดแปดสิบปีเก้าสิปีแล้วผวังจิตนั่นแหละไม่เกิดอีกต่อไปแล้วสิ้นสุดแค่นี้ผวังนั่นแหละเปลี่ยนกิตใหม่เรียกว่าจุติกิตนะก็จิตประเภทเดียวกันมีอารมณ์เดียวกันมีเวทนาเดียวกันเพราะฉะนั้นจิตเหล่านั้นเนี่ยสามารถทำปฏิสนธิผวังและจุติ <c oughs> เพราะฉะนั้นคนที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้คนนั้นจะต้อง ปฏิสนธิด้วยติเหตุกะเนี่ยนะปฏิสนธิด้วยมีปัญญาประกอบจึงจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็แสดงว่าผู้ที่ปฏิสนธิด้วยอาเหตุตุกะปฏิสนธิไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เช่นพญานาคไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เนี่ยนะสัตว์เดรัจฉานทั้งหมดไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะเขามีเครื่องกลางกั้นคือตํ คือวิบากมีวิบากเป็นเครื่องกลางกั้นเนี่ยนะปฏิสนธิจิตนั่นแหละเป็นเครื่องกลางกั้นเขาไม่สามารถให้เขาบารรลุมรรคผลนิพพานได้หรือว่าผู้ที่ปฏิสนธิด้วยทวิเหตุุกะเนี่ยนะปฏิสนธิด้วยเหตุสองคือปฏิสนธิโดยที่ไม่มีปัญญาประกอบเขาก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่าว่ามรรคผลนิพพานเลยฌานเขาก็ไม่สามารถที่จะทาได้งั้นคนที่จะทาฌานได้ทา อริยมรรคให้เกิดขึ้นได้คนนั้นจะต้องปฏิสนธิด้วยติเหต์นะมีปัญญาประกอบเหมือนกันเถอะตั้งแต่เกิดเลยเขาบอกว่าถ้ามีปัญญาปร ะ, ประกอบแล้วนะเหตุ2ที่เหลือก็ไม่ต้องกล่าวถึงใช่ไหมเพราะว่าปัญญาจะเกิดร่วมกับอะโลภะและอโทสัเพราะฉะนั้นปัญญาที่เกิดร่วมกับปฏิสนธิจิตเนี่ยถือว่าเป็นอุปนิสัยที่สําคัญมากต่อมรรควิถีเหมนันน่ย การเกิดขึ้นของอริยมรรคก็คือภวังขจิตเกิดก่อนใช่ไหมผวังเมื่อผวังหมดไปมโนทวาราวัชณะก็เกิดขึ้นมีไตลักษณ์เป็นอารมณ์ะนะชาวนะดวงที่1เรียกว่าบริกรรมชาวนะดวงที่2เรียกว่าอุปจาร ะ, ะชาวนะดวงที่สเรียกว่าอนุโลมชาวนะดวงที่4ี่เรียกว่าโคตรภูชาวนะดวงที่5เรียกว่าเรียกว่าอะไรเรียกว่ามรนะ ชวนาดวงที่6ที่7็เรียกว่าผลพวังขจิตนั้นเนี่ยในวิกรที่จะขึ้นสู่วิถีพวังขจิตนั้นมีความสําคัญมากต่อมควิถีอ น, นันถ้าพวังขจิตอันนั้นไม่มีปัญญาประกอบนะหมดสิทธิแน่นอนที่วิถีจิตชนิดนี้จะเกิดขึ้นนนะขนาดขนาดปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบเลยนะก็ไม่สามารถบรรลุในชาตินั้นได้ แต่ว่าอย่าเสียใจเลยนะเพราะว่าคนที่สะสมบุญมาขนาดนั้นนะ่ะชาติหน้านะชาติหน้าเสร็จเราเนี้ยนะถ้าามีบุญขนาดนั้นละแต่ว่าพูดชาตินี้นะยังไงก็ไม่ได้บรรลุเพราะว่าวิบากเป็นเครื่องต่างกันเป็นอันตรา ย, ยิกระทำเป็นธรรมที่ทําอันตรายต่อมรรคผลนิพพานอทําวิบากนะเป็นธรรมที่ทําอันตรายต่อชาตมรรคผลกรรมกรรมเนี่ยนะ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อนันต ร, ร, ริยกรรมนี่ทำอันตรายต่อมรรคผล น, นิพพานและสวรรค์ดนะ้วยกิเลสก็ทำอันตรายต่อมรรคผล น, นิพพานและสวรรค์เนี่ยนะส่วนวิบากทำอันตรายต่อฌานมรรคผลนิพพานเนี่ยนะอาบัติก็ทำอันตรายต่อสวรรค์มรรคผลนิพพานเหมือนกะันนะการล่วงละเมิดอาบัตินะในประเภท อ, อ, อ, อันตรายยิ่ธกระทำทีนี้คำว่าเจริญจิตและปัญญา จิตตังปัญญัจักภาวะยังคําว่าเจริญจิตและปัญญานั้นก็คือเจริญสมาธิและวิปัสสนานั่นเที่ยวอยู่เพราะว่าในคําว่าเจริญจิตและปัญญานี้ทรงแสดงไขสมาธิไว้ด้วยคําว่าจิตเป็นสําคัญยกจิตขึ้นมาเป็นประธานะนะแต่คําว่าจิตในที่นี้หมายถึงสมาธิและทรงแสดงไขวิปัสสนาโดยเชื่อว่าปัญญา คำว่าปัญญานี้มีอัตถะว่าอย่างไรความหมายของปัญญานี้มีความหมายว่าว่าไงรู้สภาวะตามความเป็นจริง น, น่ะนะรู้สภาวะโดยประการต่างๆชื่อว่าปัญญายะถาสภาวังประการะเอ่อประกาเรหิชาาตีติปัญญาว่าไงก็บอกว่าทำเอ่อที่ชื่อว่าปัญญาเพราะรู้สภาวะตามเป็นจริงเอ่อตามเป็นจริงโดยประการต่างๆ จึงจะชื่อว่าปัญญาเพราะฉะนั้นคาว่าจิตตังปัญญจะภาวายังเนี่ยนะเจริญจิตและปัญญาอยู่เนี่ยคำว่าจิตตัวนั้นเนี่ยเป็นชื่อของสมาธิคำว่าปัญญาเป็นชื่อของวิปัสสนาเนี่ยนะทีนี้อาตาปีนิปโกพิขุเนี่ยนะคำว่าอาตาปีอาตาปีนั้นแปลว่าเป็นผู้มีความเพีย น, นะอาตาปะเนี่ยนะเพราะว่าความเพียรอันนี้นะเราะว่าเป็นอุปการะมากต่อการเจริญสมาธิและวิปัสสนาอันสมาธิและวิปัสสนานั้นจะไม่มีผลมากไม่มีนิสสงมากใช่ไหมถ้าขาดความเพียรนะที่ดูนะขณะสติปฐานยังว่าอาตาอะก็ไดนะ้มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติเนี่ยนะมันแม้แต่สติปฐานก็ยกความเพียร น, นั่นนะอาตาปีสัมปชานโนสติมา คำว่าอาตาปีนั้นสับเดียวกันจริงอยู่ความเพียรเรียกว่าอาตาปะเพราะอาจว่าทํากิเลสทั้งหลายให้เร่าร้อนแต่ต้นให้เร่าร้อนโดยรอบอถ้ามีความเพียรทุกอย่างนี้กิเลสนี่ร้อนเลยนะนั่งไม่ติดเลยมั้งเนะถูกยัง ว, ว่ากิเลสเป็นคนอย่างไรกิเลสเป็นเจตสิกชนิดหนึ่ง น, น, นะก็บอกว่าถ้าหากว่าผู้ที่มีความเพียรในการ ละอกุศลเนี่ยอกุศลก็ร้อนอยู่ไม่ได้แล้วใช่ไหมถ้าหากว่าเพียรที่จะระวังไม่ให้อกุศลเกิดอกุศลก็ไม่ไม่ได้ช่องเกิดขึ้นถ้าเพียรพยายามให้กุศลและจิตเกิดอกุศลก็ไม่ได้ช่องละเพียรรักษาพัฒนา พ, อพ่อภูนกุศลนั้นอกุศลก็ไม่ได้ช่องไม่เกิดเพราะฉะนั้นคําว่าอาตาปีหรือว่าคนที่มีความเพียรก็ทํากิเลสให้เล่าร้อนแต่ต้นและโดยรอบเหมือน บคนที่มีความเพียรจริงๆเนี่ยทำเนคข ม, มวิตกให้เกิดมากๆทุกๆอารมณ์เนี่ยนะทุกๆอารมณ์ได้แล้วกิเลสจะไปตั้งอยู่ในอารมณ์ไหนนะถ้าทําปริญญากับทุกอารมณ์แล้วนะกิเลสไม่มีอาริมณะปัจจัยให้ตั้งนะเพราะว่าอารมณ์เหล่านั้นเป็นนิมิตแห่งสมถะและวิปัสนาไปแล้วไม่ใช่สุภานิมิตโลภะจะไม่เกิดนะถ้าไม่ถืออารมณ์นั้นโดยสุภาพนิมิต โทสะจะไม่เกิดเลยถ้าไม่ถืออารมณ์นั้นโดยปฏิฆานิมิตถ้าไม่ถืออารมณ์โดยอุเบคานิมิตโมหะไม่เกิดเนี่ยนะถ้าหากว่าทุกๆอารมณ์ได้รับการใครครวนแล้วเนี่ยกิเลสไม่เกิดไอ้ที่มันเกิดก็เพราะว่าอารมณ์นั้นเรารู้รู้ความจริงของอารมณ์นั้นไม่พอกิเลสจึงอาศัยอารมณ์นั้นเกิดขึ้นนะน่วงอารมณ์นั้นโดยความเป็นอารมมณะปัจจัยหรืออารมณ์นั้นมีอิทธิพลทําให้จิตนั้นเป็นไปกับ อกุศลเพราะไม่ไม่ได้ทำปริญญาญากิจเนี่ยนะในอารมณ์นั้นนั้นไม่พิจารณานะขาดการใคร่ครวญ น, น, น, นรกนั้นชื่อว่าอาตาปีเพราะอาจว่ามีความเพียรที่เรียกว่าอาตาปะนั้นคนที่มีความเพียร น, นี่เรียกว่าอาตาปีนะอาตาปีนี่มุ่งไปที่บุคคลผู้มีความเพียรเห็นะถ้าอาตาปะ นีนะโดยศัพท์นี้เป็นชื่อของความเพียรใช่ไหมแต่ถ้าอาตาปีนี่ก็คือคนที่มีความเพียรนะเป็นสะอีตัวนั้นเนี่ยนะกลายเป็นทําให้บ่งถึงบุคคลไปเลยบุคคลผู้มีความเพียรแต่ถ้าอาตาปะนี่ก็คือตัวความเพียรถ้าใส่เป็นอาตาปีจากสะอาเป็นสะอีก็เลยผู้มีความเพียรนะก็เป็นศัพท์เป็นเกี่ยวกับเรื่องไวยากรณ์เขาะนะ